เรื่องพระฉับพักคีไว้ผมยาวสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักคีไว้ผมยาวคนทั้งหลายตำหนิประนามโผนทนาว่าฉะไหนพวกภิกษุฉับพักคีจึงไว้ผมยาวเหมือนเครือหัดผู้บริโภคกามเล่า